เขาบอกผมน่าจะไปด้วยว่ะคนที่ไม่เคยไปก็ไปก็ดีคนที่เคยไปแล้วก็ก็เหมือนกันไปที่ไหนองค์ไหนก็เทพเหมือนกันสอนเหมือนกันสอนให้ทําบุญละบาปสอนให้ชำระใจให้ชาดแต่ถ้าคิดว่าไปแล้วจะทําให้ตัวเอง บรรลุอะไรนี่ก็คงจะยากเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติมันบรรลุไม่ได้ถ้าถ้ามีบารมีอยู่แล้วถ้าฟังทมแล้วบรรลุได้ก็หนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้านี้อ่านก็บรรลุได้อ๋อหนังสือที่ทรงแสดงเรื่องอริยสัจสี่ทรงแสดงมรรคแปด อันนี้ก็พอเพียงต่อการปฏิบัติต่อการทำให้หลุดพ้นต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไปหาองค์นั้นแล้วก็ยังไม่บรรลุก็ไปหาอีกองค์หนึ่งก็ยังไม่บรรลุหาอีกองค์ก็ยังไม่บรรลุอันนี้ก็แสดงว่าตนเองไม่มีกําลังในการปฏิบัติ หรือไม่มีปัญญาพอที่จะทำให้บรรลุได้ปัญญายังไม่แก่ก็ถ้าเป็นมีดก็ยังไม่แหลมคมต้องชำละให้ต้องเอามารับมีดก่อนต้องมาพิจารณาปัญญาพิจารณาอริย ส, สัจสีอยู่เรื่อยๆให้เข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา การจะดับความทุกข์ของเราเราก็ต้องหยุดความอยากของเราการจะหยุดความอยากของเราก็ต้องหยุดด้วยการเห็นความจริงเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นเหมือนยาพิษเราก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเหมือนขนมเราก็อยากจะได้ แต่พอเรารับประทานขนมเข้าไปแล้วก็ท้องเสียถ้าท้องเสียครั้งต่อไปเราก็ไม่อยากจะรับประทานขนมชนิดนั้นแต่ปัญหาคือเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษทั้งๆ ท, ที่เรารับประทานมันเราคิดว่าเป็นขนมเรารับประทานไปแล้วท้องเสียเราก็ไม่เข็ดเราก็ยังไปหาขนมนี้มากินอีกกินอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ท้องเสียอยู่เรื่อยๆจนเป็นเรื่องปกติไปเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั้นเป็นความทุกข์มากกว่าชีวิตของเราก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทุกกับเรื่องที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานะั่นแ่ะทุกกับราบยศสรรเสริญทุกกับรูปเสียงกิ่นรสปวดทัพระเพราะเราไม่จำเวลาทุกนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากความหลงเกิดจากความอยากของเรา พอหายทุกเราก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวเราก็ทุกใหม่เวลาทุกก็คือเวลาที่สิ่งที่ให้ความสุขกับเรางั้นจากเราไปพอเวลาที่หายจากความทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาคจากกานะันแล้วเราก็ไปหาคนใหม่มามาใหม่คนที่สูญเสียคู่ครองไป หลังจากที่คู่ครองเสียไปแล้วไม่นานเขาก็ไปหาคนใหม่มาเป็นคู่ครองใหม่ต่อนี่ก็คือไม่จำว่าก็จะเป็นเหมือนกันอีก mm hmm. เดี๋ยวเสียคู่ครองอีกก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจ mm hmm. แต่ก็ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่มีความทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนหรือถ้ารู้แค่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์นั้นอยู่ที่การทำใจให้สงบอยู่ที่การหยุดความอยากต่างๆ ปัญหาก็คือเรารู้แล้วแต่บางทีเราก็ทําตามไม่ได้เรารู้ว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่ที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่เราก็ยังไม่มีกําลังที่จะเข้าหาความสุขแบบนี้ได้เพราะการจะเข้าหาความสุขแบบนี้ เราต้องละความสุขที่เป็นความทุกข์คือเราต้องไม่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาการที่เราต้องหยุดการหาความสุขจากความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นเหมือนกับ ผู้ที่ติดยาเสพติดหรือติดสุราติดบุหรี่เวลาที่จะเลิกเสพสิ่งเหล่านี้มันทรมานใจมันหนักหนาดำคาญใจถ้าไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่มีความอดทนและไม่มี ความควบคุมความคิดของตนควบคุมใจของคนของตนไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่อยากจะเสพก็ จ, จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากจะเสพสิ่งต่างๆเช่นบุรรศุรา เรีออยาเสพติดได้แต่ถ้าเรามีความพะยายามมีความสามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะเสพได้ใจของเราก็จะลืมไปได้ ช่วขณะช่วยระยะหนึ่งเช่นถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ให้คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะเสดถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องไม่นานเราก็จะลืมความอยากที่จะเสดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้ แต่การที่เราจะบริกรรมพุโทโธพุธโทโธได้นั้นเราก็ต้องฝึกไว้ก่อนเราต้องหัดก่อนหัดบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆก่อนให้มันเป็นนิสัยถ้ายังไม่เป็นนิสัยถึงเวลาที่จะใช้การบริกรรมพุโทโธมาหยุดความอยากหยุดความคิดที่จะไปอยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็จะไม่มีกำลังที่จะบริกรรพุโทโธได้เหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเวลาที่จะต้องมาใช้แรงงานของร่างกายทำงานหนักก็จะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำได้เพราะไม่ได้ออกกำลังกายการ บริกรรมพุทธโธการเจริญสตินี้ก็เป็นเหมือนการออกกาลังใจถ้าเรามันออกกาลังใจอยู่เรื่อยๆต่อไปใจก็จะมีกาลังที่จะหยุดความคิดต่างๆได้พอหยุดความคิดต่างๆได้แล้วก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็สามารถที่จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธ ไม่หยุดแม่ไปคิดถึงความอยากพอพอไม่ได้คิดถึงความอยากสิ่งที่อยากความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วใจก็จะกลับมาสู่ความปกติคือความหงุดหงิดํำคาญใจก็จะหายไป แล้วถ้าเราทำบ่อยทำมากเราก็จะได้รับความสงบมากขึ้นจนทำให้จิตนี้สงบได้อย่างเต็มที่เช่นเวลาที่เรานั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากการาเสพสิ่งที่เราเคยอยากเสพเช่นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะชนิดต่างๆหรือลาบยศสรรเสริญพอเราได้รับความสุขที่ดีกว่าเราก็จะ เบื่กับความสุขที่ที่มีความทุกข์ตามมาต่อไปเราก็จะละความอยากในราบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะได้เราจะละความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปอยากได้นั้น เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจไม่สบายใจนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปแล้วก็จะละไปเรื่อยๆเพราะมิสิ่งไหนที่ตนยังอยากยังอยากเสกยังอยากสัมผัสอยู่สิ่งนั้นก็จะทำให้ต้องไม่สบายใจ เพราะสิ่งที่อยากจะเสพอยากจะสัมผัสนั้นเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่ตั้งอยู่ตลอดเวลาเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการเจริญมีการเสื่อมไปทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกของของใจและสิ่งที่มีอยู่ภายในใจ สิ่งที่อยู่ภายนอกของใจก็คือร่างกายและสิ่งที่อยู่ภายนอกของร่างกายอีกทีก็คือข้าวของต่างๆบุคคลต่างๆที่ใจไปมีความหลงมีความรักมีความชอบมีความอยากได้ถ้าได้รับความสงบแล้วใจจะรู้ว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้สู้ความสงบไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสงบชั่วคราวแล้วก็ให้ความทุกข์ตามมาต่อไปเวลาเราได้สิ่งที่เราชอบมาเราก็มีความสุขในเบื้องต้นแต่ต่อมาเราก็จะต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา เพราะเราจะต้องมีความห่วงใยมีความหวงห่วงใยเพราะก็ไม่อยากจะให้เขาเป็นอะไรไปหวงก็ไม่อยากจะให้เขาจากออกไปความห่วงใยความห่วงนี้ก็เป็นความไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ความไม่สบายใจที่ตามมากับ ความสบายใจกับความสุขใจจากการที่ได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเวลาสิ่งที่เราได้มานั้นจากเราไปหรือเปลี่ยนไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจไม่สบายใจคนที่เคยดีกับเราแล้วเขามาไม่ดีกับเราหรือคนที่เขาดีกับเราแต่เขาต้องจากเราไป อันนี้ก็จะทาให้ใจของเรานั้นมีความไม่สบายใจมีความเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเราก็จะไม่มีความไม่สบายใจกับสิ่งนั้นเพราะเราไม่มีสิ่งนั้นจะต้องมาห่วงไม่มีสิ่งนั้นจะต้องมาห่วงไม่มีสิ่งนั้นจะต้องมา เศร้าโศกเสียใจเวลาสิ่งนั้นจากไปฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถยุติความอยากต่างๆได้เพราะปัญญาจะสอนว่าการที่จะไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ นั้นเป็นการเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่ห้าเข้าหาความสุขการจะเข้าหาความสุขหรือออกจากความทุกข์ก็คือต้องไม่อยากได้อะไรต้องไม่อยากมีอะไรต้องไม่อยากเป็นอะไรต้องไม่อยากเสพรูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนี่แหละคือกุญแจสู่ พรนิพพานสู่ปาละมังสุขขังก็คือการละตัณหาทั้งสามคือกามวตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกลึกพระภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าใจ ไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์การที่จะทําให้ใจไม่มีความอยากได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่พระเจ้าทรงตัดว่าทรงเรียกว่ามรคนี่เองมร์ ก, ก็คือเครื่องมือที่จะเอามาใช้กับการดับความอยากหยุดความอยากต่างๆ มักมีทรงแสดงไว้แปดข้อด้วยกันที่เรียกว่ามักที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดําริชอบสัมมากรรมันโตการกระทําชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชิวอาชีพชอบสัมมาวายาโม ความเพียรชอบสัมมาสติความละลึกชอบสามมาสมาธิความตั้งมั่นชอบนี่คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการหยุดความอยากทั้งสามคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาดังนั้นหน้าที่ของเรา ก็คือเราต้องมาสร้างเครื่องมือนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปหยุดความอยากได้เราต้องมีเครื่องมือก่อนเหมือนกับเวลาที่รถยางแตกเราต้องการที่จะเปลี่ยนยางเราก็ต้องหาเครื่องมือมาเราไม่สามารถเปลี่ยนยางได้ด้วยมือเปล่า เ, าเราต้องมีแม่แรงต้องมี เครื่องมือที่จะถอดน็อตออกมาจากร้อเราถึงจะสามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ได้เช่นในการที่เราจะยุติความอยากต่างๆได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการหยุดความอยากมาแล้วก็คือมรดกที่มีองค์แปดนี้เราต้อง สร้างสมาสติขึ้นมาสร้างสมาสังกับโปขึ้นมาสมาสติกับสมาสังกัปโปนี้เป็นองค์ปัญญาปัญญาก็คือการที่มีความเห็นที่ถูกต้องและมีความคิดที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็คือเห็นว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากเราก็ต้องทาเราก็ต้องทาตามมักจเจริญมักมักก็คือ น, นี่แหละที่เรากำลังทำาันที่พ ท, ที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ เราก็ต้องมีสีนสัมมากรมัมโตสัมมาวาจานี่เป็นองค์ประกอบของสีนและสัมมาอาชีวะอันนี้เรียกว่าสีนสัมมากรมัมโตก็คือการไม่กระทาบาปทางกายสัมมาวาวาจาก็คือการไม่กระทาบาปทางวาจา อมาอาชีวก็คือการไม่ทำบาปในการธารมะธามาค้าขายนี่คือเครื่องมือที่เราจะต้องสร้างขึ้นมามกลุ่มแรกก็คือศีลนี่เองเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการป ร, ร, ระพฤติผิดโัเวณี นี่คือสัมมาคมันโตสัมมาวาจาก็คือจะละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดสอ่อเสียดคำว่าสอ่อเสียนี้ไม่ใช่เสียดสีสอ่อเสียนี้แปลว่าพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีคำพูด เหล่านี้ไม่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้พูดและกับผู้อื่นทำไปแล้วก็จะทำให้เกิดมีปัญหาเกิดมีเรื่องราวต่างๆตามมาเช่นเดียวกับการกระทำบาปคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวนีททำแล้วก็จะนำความทุกข์มาให้แก่ผู้กระทำนี่คือวิธีดับทุกข์ในเบื้องต้น ต้องดับด้วยการรักษาศีลเราพอเรารักษาศีลได้แล้วเราก็ขยับไปสู่ขั้นต่อไปก็คือขั้นสัมมาสัมมาวายาโมคือความเพลี่ยนชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิขั้นต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทำให้ใจให้สงบให้ได้ เรียกว่าเป็นการกระ ท, ทําที่ความเพียรที่ถูกต้องอย่าไปเพียรหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปเพียรหาความสุขต่างๆในโลกนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นความเพียรที่ถูกความเพียรที่ถูกนั้นต้องเพียรหาความสุขที่เกิดจากความสงบการที่เราจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก็เกิดจากการเจริญสติ อย่างต่อเนื่องจเจริญสัมมาสติคําว่าสัมมาสติก็คือให้จิตดำรงอยู่ในปัจจุบันไม่ให้จิตลอยไปอดีตลอยไปในอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันการที่จะให้จิตดำรงอยู่ในปัจจุบันก็จําเป็นจะต้องมีอะไรหนึ่งเอาไว้ผูกเอาไว้สิ่งที่เราใช้ในการดึงจิตให้ อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมาก็คือกรรมฐานสี่สิบชนิดนี่เองกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้ดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ใจสงบให้ได้กรรมฐานสี่สิบก็แบ่งไว้เป็น กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าอนุสติก็มีอยู่สิบประการด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรมานุสติสังคานุสติอานาปานาสติมารา น, านุสติเทวานุสติมี่เป็นกรรมฐานหรืออารมณ์ที่เราสามารถเอามาใช้ในการผูกใจให้ตั้ง มันไม่ให้ลอยไปลอยมาให้เป็นสมาธิให้สงบให้เป็นสัมมาสมาธิมีอีกหลายอย่างเช่นในกลุ่มของอสุภะก็มีสิบประการให้เราดูภาพนึกถึงภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วในลักษณะต่างๆเช่นตายเพิ่งตายใหม่ตายสามวันอืดพองขึ้นมา ตายแล้วไปถูกปล่อยไว้ในป่าชา้าทิ้งไว้ในป่าชา้ามีสุนัขมีสัตว์มากัดแทะทำให้แขนขากระจายไปตามทิศ ต, ต่างๆมองให้เห็นจนกระทั่งร่างกายเน่าเปื่อยแห้งกรอบผุกลายเป็นดินไป อันนี้ก็เป็นการที่จะผูกใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่คิดปรุงแต่งได้หรือการใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจก็ได้เช่นให้จดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกเวลานาทีที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว เป็นกำลังเดินก็ต้องรู้ว่าร่างกากกยกำลังเดินไม่ใช่เดินแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินไปรู้ว่าไ่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องการอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติต้องรู้ทุกย่างก้าวเวลาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวา ให้รู้อยู่อย่างนี้เวลาทําอะไรกับร่างกายก็ให้เฝ้าดูตลอดเวลากําลังแปลงฟันกําลังล่างหน้ากําลังหวีผ้าหวีผมกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารกําลังดื่มน้าเมื่อ่ากําลังทําอะไรให้ใจเราอยู่กับการทํางานของร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายให้รู้อยู่ ว่าร่างกายกำลังทมอะไรอยู่โดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเรียกว่าสัมมาสติแต่การที่จะเจริญสติอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องนั้นผู้ที่จะเจริญนี้จำเป็นจะต้อง ภารกิจต่างๆออกไปให้หมดเช่นมาบวชเป็นพระนี่จะทาให้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องภารกิจต่างๆไม่ต้องไปทำภารกิจต่างๆการที่เราทำภารกิจต่างๆก็เพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพื่อมาใช้กับการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ เพื่อเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราต้องการใช้ร่างกายเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพียงเดียวเราก็มาบวช ด, ดีกว่าเพราะเวลาบวชเราก็สามารถทํามาหากินควบคู่กับการเจริญสติได้เช่นเวลาไปบินบาตนี้เราก็ไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องใช้ความคิดเพียงแต่ให้รู้ว่าถึงเวลาเปิดฝาบาตรถึงเวลาปิด้าบาตร เท่านั้นเองกลับมาก็มีอาหารพอที่จะจุนเจืออยู่ไปได้หนึ่งวันแล้วเราก็จะได้มีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าเรายังต้องทํามาหากินเรียทีต่ต่างๆนี้เราจะไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้การเจริญสติก็จะเป็นไปไม่ได้ เมื่อไม่มีสติการจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็เป็นไปไม่ได้นักปฏิบัติที่เป็นกาวาจึงมักจะเลี่ยงการนั่งสมาธิไปเพราะมีผู้สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไ้ใช้ปัญญาเลยแต่ถ้าใช้ปัญญาจริงแล้วต้องบรรลุกันหมดแล้วถ้า ถ้ามีปัญญาก็ต้องหยุดตัณหาความอยากได้แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วหยุดตัณหาความอยากไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้ที่บรรลุไม่ได้ก็เพราะว่าปัญญานั้นไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากสิ่งที่จะให้กำลังแก่ปัญญาก็คือสมาธินี้คือความสงบ ดังนั้นสำหรับฆราวาญาณโยมที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมแต่ยังติดกับภารกิจการงานต่างๆมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาว่าปฏิบัติมาไม่รู้กี่ปีแล้วยังไม่เห็นผลสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติจารงสติได้อย่างต่อเนื่อง สตินี้ต้องเป็นสัมปัตชัญญาก็คือไม่เผลอเลยต้องมีรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาถ้าอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติการบวชนี่แหละเป็นเป็นช่องทางที่ดีที่สุดผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเอร์เซ็นนี้ เป็นนักบวชทั้งนั้นแล้วพวกที่บรรลุตอนตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชพอบรรลุแล้วก็อยากจะบวชอยู่ดีพอไม่รู้ว่าจะอยู่เป็นคาวาะไปหาอะไรในเมื่อไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขทางต า, งางหูจมูกิ้งกายอยู่กับพวกที่เขาอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขมันก็ไปขัดกับเขา อยู่กันแล้วก็จะไม่มีความสุขอยู่กันแล้วก็จะมีปัญหาเช่นเขาจะไปงานเลี้ยงเราไม่ไปเขาจะไปดูภาพยนต์เราไม่ไปเขาจะไปทำอะไรเราไม่ไปทั้งนั้นอย่าแงบบนี้แล้วเราจะไปอยู่กับเขาได้อย่างไงผู้ที่บรรลุแล้วมักจะต้องบวชกันทั้งนั้นไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวันจะตาย อันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุและผลแต่เป็นความเข้าใจผิดที่คนไม่ได้ปฏิบัติมาเข้าใจกันเนื่องจากได้เห็นตัวอย่างของคนที่บรรลุแล้วต้องตายไปก่อนที่จะได้บวน mm hmm. เช่นคนหนึ่งได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงบินตบานเขาก็บรรลุได้เขาก็ไปเตรียมตัวที่จะไป หาบริขารอักถบริขารเพื่อมาขอบวชจากพระพุทธเจ้าแต่ระหว่างทางก็ถูกก็ะถิงขวิด ต, ตายไปเสียก่อนหรือว่าเช่นพระราชบิดาพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุเจวันก่อนจะเสด็จสวรรคตก็เลยคิดว่าเนี่ยที่เสด็จสวรรคตเจวันก็เพราะว่าไม่ได้บวช บางิงมันไม่เกี่ยวกันการบวชหรือไม่บวชนี้ไม่ได้ทำให้เราตายหรือไม่ตายถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นขาา่าวร้าที่ไม่ได้บวชนี่ไม่ทำไมไม่ตายกันไปหมดแล้วหรือคนที่เป็นพระทำไมถึงยังต้องตายกันอยู่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุหรือไม่บรรลุเรื่องของร่างกายก็เรื่องของร่างกายเรื่องของการบรรลุเป็นเรื่องของใจ ใจนี้ไม่มีวันตายการบรรลุแล้วจะไปทําให้ร่างกายตายได้อย่างไรถ้าไมไ่ไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้ผู้ที่บรรลุแล้วอยากจะขอบวชกันะการที่บรรลุแล้วอยากจะขอบวชก็เพราะว่าไม่รู้จะอยู่เป็นคารวาสไปทําไมอยู่กับอยู่กับพวกที่บรรลุ ด, ดีกว่า อยู่กับพวกนักบวชดีกว่าเพราะวิถีชีวิตในเหมือนกันผู้ที่บรรลุแล้วจะไม่ได้อยู่ยกับ ผ, ผู้ที่ไม่ได้บรรลุนี้อยู่กันลำบากโดยเฉพาะถ้ายังเป็นสามีภรรยาหรือเป็นญาติสนิทมิตสหายกันนี้เพราะเขาผู้ที่ยังไม่บรรลุนี้เขายังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังต้องหาความสุขจาก ลาบยศสรรเสริญอยู่แต่ผู้ที่บรรลุแล้วนี้จะไม่มีความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกมือกายจะไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญนั่นเองนี่คือเรื่องของการเจริญมรรคแปดมรรคแปดนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กับนักบวชตอนที่ทรงสแสดง พระธรรมเทศนาครั้งแรกทรงแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงมรรคแปดผู้ที่ฟังก็เป็นนักบวชก็คือพระปัญจวคีเป็นผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วพอมีศีลมีสมาธิแล้วพอได้ฟังความจริงได้รับสัมมาทิฏฐิจากพระพุทธเจ้า ได้รับสัมมาสังกโปปจากพระพุทธเจ้าก็สามารถน้อมเอาไปเป็นสมาทิฏฐิของตนเป็นสัมมาสังกโปปของตนได้พอน้อมเข้ามาเป็นสมมาทิฏฐิของตนสัมมาสังกโปปของตนใจก็หยุดความอยากต่างๆได้ใจก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุได้ นี่คือเรื่องของมรรคแปดที่เป็นสิ่งที่พระพุทธจเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ต้องการจะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นความที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องเจริญกันให้มากก็คือมรรคมัรต้องเจริญให้มาก ถ้ามีมากแล้วผลก็จะตามมาผลก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากพระธรรมคำสอนไม่ได้เกิดจากพระอริยสงสารุแต่เกิดจากศรัทธาความเชื่อของผู้ปฏิบัติ ที่จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกไปปฏิบัติที่จะน้อมเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์ไปเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างไรพระอริยสงฆ์สาวกดำเนินอย่างไรผู้ปฏิบัติตามก็จะดําเนินอย่างนั้นท่านสระราชสมบัติสละ รับสมบัติเข้าของเงินทองสละครอบครัวสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วก็ออกบวชกันผู้ที่อยากจะได้ผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยงสงสาวกทั้งหลายได้ผลก็ต้องทำเหมือนกันเพราะเหตุกับผลมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับผู้ที่ต้องการที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่เขาหายเพราะเขากินยาชนิดนี้ถ้าเราเป็นโรคชนิดเดียวกับเขาถ้าเราอยากจะหายจากโรคเหมือนกับเขาเราก็ต้องกินยาชนิดเดียวกับที่เขากินนั่นเองถ้ากินยาชนิดเดียวกันโรคชนิดเดียวกันเดี๋ยวโรค ก, ก็จะต้องหายเช่นเดียวกันไม่มีทางที่จะเป็นอื่นได้เะนันใดถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพาน เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกได้บรรลุถึงกันเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกทั้งหลายปฏิบัติกันก็คือต้องจละสมบัติจละราบยศจละเสริญจละความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ออกดวดเพื่อจะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้เจริญปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากและสิ่งที่อยากได้นั้นก็ไม่ได้ให้ความสุขกับให้ความทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้สิ่งต่างๆมีใครอยากจะได้ความทุกข์บ้าง ที่เราหากันทุกวันนี้หาเงินหาทองหาลาบหายดหารูปเสียงกลิ่นรดปวดัทธาก็เพราะว่าเราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่เราได้ติดมากับความสุขความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดนี้ mm. ก็เป็นเหมือนเหยื่อชิ้ น, นเล็กที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นเองส่วนความทุก ที่เราได้จากการไปฮุบเหยื่อก็คือตะขอเบ็ดที่เกี่ยวปากเรานั่นเองอันนี้เรามองไม่เห็นมันถูกซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเราเห็นแต่เหยื่อแต่เราไม่เห็นเบ็ดนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราเข้าไปหากันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นความสุข การหาเงินหาทองนี่มันสุขหรือเปล่ากว่าจะได้เงินทองมานี่แสนจะเหนื่อยแสนจะยากแล้วเวลาได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการรักษาดูแลกลัวจะหายกลัวจะหดกลัวจะหมดไปแล้วเวลาหายไปหมดไปก็ต้องเศร้าสศกเสียใจวงคลถึงกับข้าตัวตายก็มี เวลาที่หมดเนื้อหมดตัวทำมาหากินแล้วหมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่พึ่งแล้วเพราะว่าไปพึ่งในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนั่นเองพอเวลาดับไปก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งอะไรได้ก็เลยต้องข้าตัวตายอันนี้แหละเป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นกัน แต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเห็นว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกินลสบทพะนี้เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขนี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวเดียวเดียวตอนที่ได้มาเท่านั้นตอนที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วก็จางหายไปหมดทำให้หิวทำให้อยากต้องหาใหม่มาเสพอยู่เรื่อย ความหิวความอยากนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วเพราะอยู่ไม่เป็นสุขต้องหาอะไรมาดูมาฟังหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขพอไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็หงุดหิดลำคาญใจอันนี้ลนะคือความทุกข์ใจเพราะว่าเราไปอยากได้กับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์นั่นเอง สิ่งที่เป็นความสุขเรากลับไม่อยากได้กันสิ่งที่เป็นความสุขก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการรักษาสีน์ที่เกิดจากการเจริญสติเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงแต่เราไม่เข้าหากันถ้าเราเข้าหาแล้วเราไม่ย่อท้อต่อความยากลํำบาก สักวันหนึ่งเราก็จะสามารถได้รับผลจากการปฏิบัติของเราอย่างแน่นอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับผลมาก่อนที่ท่านจะได้รับผลท่านก็ยากลาบากก็คิดดูก็แล้วกันการที่จะต้องออกจากพระราชวังแล้วมาอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบขอทานเช้าก็ต้องถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อ รับบินดบาบอาหารก็ไม่ใช่เป็นอาหารที่ละเอียดละเอียดปราณีตที่เคยได้เสวยในพระราชวังอาหารก็เป็นอาหารของชาวบ้านอาหารพื้นพื้นคิดดู่าแล้วกันว่ามันยากนอบาสหรับพระพุทธเจ้าละภาษาวกทั้งหลายแต่ทำไมท่านสามารถทาได้มั่นก็เป็นเพราะว่า ท่านมีความแน่วแน่ต่อความสุขที่แท้จริงนั่นเองท่านไม่ท่านไม่หลงกับความสุขที่เป็นความทุกข์เพราะท่านได้เ ส, สพสัมผัสผ่านมาพอแล้วท่านไม่หลงไม่ลืมทุกครั้งที่ใจคิดอยากจะกลับไปหาความสุขท่านก็คิดถึงความทุกข์ของที่ได้จากความสุขเหล่านั้นทันทีก็ทำให้ท่านไม่กลับไปหา แล้วท่านก็นึกถึงความสุขที่ได้จากเวลาที่ใจสงบเวลาใจสงบแต่ละครั้งนี้มันมีความสุขเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วเวลาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะคิดถึงความสุขอันนี้พอคิดถึงความสุขอันนี้ก็จะทำให้เกิดมีกาลังใจที่จะพยายานปฏิบัติต่อไปเหมือนกับคนที่ทางานแล้วเกิดความท้อแท้ เวลาแต่พอมึกถึงสิ้นเดือนเวลาที่เงินเดือนออกก็จะทำให้เกิดมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยรู้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะได้รับเงินเดือนได้ผลตอบแทนตอนนี้จะท้อแท้เบือ่อหน่าจะยากลาบากยังไงแล้วก็ต้องกัดฟันทนเอาไว้สู้ต่อไปสู้ไปจนกว่าจะได้รับรางวัลได้รับผลนี่คือ สาเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นภาษาวกก็เพราะท่านมีความแน่วแน่ต่อมรรคผลนิพพานต่อความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจท่านไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวกับควาอุปสรรคต่างๆที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคก็มีหลายอย่างด้วยกัน เช่นนิวรห่านี่ก็เป็นอุปสรรคนิวรก็คือการมฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นและผลทพะความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาเหานอนความไม่มั่นใจความลังเลสงสัยความความเสื่อมศรัทธาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางเวลาบางเวลาก็มี ตอนต้นก็อาจจะมีศรัทธาแรงก้าแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจเจอความทุกข์ความยากลำบากก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาได้เหล่านี้ก็ต้องหาวิธีแก้ให้ได้การเสื่อมศรัทธาก็ต้องให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้พื้นคืนศรัทธาขึ้นมาได้ ถ้าเกิดความร่วงเหงาเหานอนก็ต้องไปหาสถานที่ที่น่ากลัวอยู่แล้วต้องผ่อนอาหารอดอาหารไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปถ้าเกิดความเกิดกามฉันทะเกิดกามลงก็ต้องพิจารณาอาสุพะหรือพิจารณาความความทุกข์ที่ได้จากการไปเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย ถ้าเกิดความฟุ้งซ่านก็ต้องหมั่นเจริญสติควบคุมความ ค, ค, คิดไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้บรลกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็จะฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางกั้นการที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่จะต้อง เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีความแน่วแน่ไม่มีสัจจะความเอาจริงเอาจังต่อการปฏิบัติเวลาเริ่มต้นก็มีความกระฉับกระเฉงแต่พอทาไปแล้วไปเจออุปสรรคก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะยอมแพ้เลิกปฏิบัติไปเช่น ผู้ที่มาบวดบวดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ลาสิกขาไปอย่างนั้นถ้าเราอยากที่จะบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้เราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความจริงใจต่อการปฏิบัติมีความอดทนต่อความยากลำบากต่ออุปสรรคต่างๆ โดยให้ยกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงชัยให้ระลึกถึงว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็มีอุปสรรคเหมือนเราแต่ท่านไม่ถอยท่านฟันฝ่าสู้ไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างวันนี้อาจจะได้มากปฏิบัติได้มากพรุ่นี้อาจจะปฏิบัติได้น้อยได้มากหรือได้น้อยก็ขอให้เราขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราเรื่องของการเจริญมรรคขอให้เราถือการเจริญมรรคนี้เป็นภารกิจที่สำคัญคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาการทำงานอย่างอื่นนั้นขอให้ถือว่าเป็นงานรองเป็นงานสนับสนุน งานหลักของเรางานหลักของเราก็คือการเจริญสีนสมาธิปัญญางานสนับสนุนก็คือการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาร่างกายให้มีกําลังวังชาที่จะปฏิบัติรักษาศีนสมาธิปัญญาถ้าเราถืองานการเจริญมรรคแปดหรือสีนสมาธิปัญญานี้เป็นงานหลักแล้ว ผลก็จะต้องเกิดขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไปถือการทำงานสนับสนุนเป็นงานหลักคืองานหาหาทรัพย์หาปัจจัยสี่เป็นงานหลักจนเราหาแบบพุ่งเฟ้อเ ห, อเหอิมหาแบบเกินความพอดีเช่นบ้านก็ต้องมีราคาหลายล้านหลังใหญ่โตเสื้อผ้ า, าผ่พนก็ต้องตราณีวิจิตพิสดาร อาหารก็เช่นเดียวกันยารักษาโรค ก, ก็เช่นเดียวกันถ้าอย่างนี้เราก็จะเสียเวลาไปกับการากับการทำงานที่มาสนับสนุนงานหลักจะทำให้เราไม่มีเวลามาทำงานหลักของเราก็คือการปลดใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องพยายาม เตือนใจเราเสมอว่างานหลักของเราก็คือการรักษาสิ่งการเจริญสมาธิและปัญญาส่วนงานธรรมมาหากินนี่ก็ทําพอประมาณอย่างเป็นพระนี่ก็ทําวันละทั้งเดียวตอนเช้าก็ออกเป็นบาตเวลาเดียวก็พอไม่ใช่ออกบิ็นบาตรสามเวลาเช้ากลางวันเย็นแต่บางแห่งก็มีเดี๋ยวนี้บาทออกไปเช้าก็ อาบาตไปหาอาหารบายก็ออกไปหาเงินกันอาบาตรไปเรียลายเงินทองต่างๆออย่างนี้ก็ถือว่าทำมากเกินไปแล้วทำมา ก, กินมากเกินไปไม่ไปไปปีกวิเวกไม่ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อจะได้เจริญสติสมาธิปัญญาผลจึกไม่เกิดกับพระเหล่านี้พระที่มัวแต่ไปเรียลายเงินทองเพื่อไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ สร้างกุติสร้างวิหารต่างๆผลที่ได้รับก็คือได้โบสถ์ได้เจดีย์ได้กุติได้วิหารเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรานี่มีเจดีย์กันเต็มไปหมดมีโบสถ์เต็มไปหมดมีวิหารมีกุติเต็มไปหมดแต่ไม่มีมรรคผลนิพพานให้มามาอวดกันบ้างเลยก็เพราะว่าไม่ได้ทำงานหลักกันไปทำงานรองกันเสียงานสนับสนุนกัน ดังนั้นถ้าพวกเราปรางนามรักผลนิพพานก็ขอให้เราทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเราให้กับงานหลักก็คืองานเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทำงานรองทำงานที่สนับสนุนงานหลักนี้เท่าที่จำเป็นแล้วสักวันหนึ่งเราก็คงจะได้ลิ้มรสพระธรรมอันเลิศของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก้เวลาจึงขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติควรจะสง่นใจกับปัญหาเรื่องการปฏิบัติดีกว่าว่าทำไมนั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบสักทีก็คำตอบต่อก็ง่ายๆก็อยู่ที่สตินี่ สติเป็นเหตุที่ทําให้เกิดสมาธิเกิดความสงบขึ้นมาถ้าสติอ่อนความสงบก็อ่อนถ้าสติแก่ก็ความสงบก็จะแก่ก็ทาจาร ก, การสวดมนต์นี่แล้วก็สวดมนต์แฝงคุยสุดท้ารายละเอียดในคําสวดมนต์ก็ว่าสวดมนต์โดยที่เราทราบความหมายโดยภาพรวมนี่ คือการสวดมนต์นี้เป็นอุบายของการทําใจให้สงบคือถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวเราก็นั่งคิดถเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเราไปนั่งดูโทรทัศน์ไปอ่านหนังสือพิมพ์อย่างนี้ใจก็จะไม่สงบแต่ถ้าเรามานั่งสวดมนต์นี้ก็จะเป็นการเจริญธรรมานุสติเพราะบทสวดมนต์นี้ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้ถ้าเราสวดไปโดยที่เราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้ผลอย่างเดียวก็คือความสงบใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับบทสวดมนต์ใจก็จะเข้าสู่ความสงบใ น, ในระดับหนึ่งอาจจะไม่สงบรวมเต็มที่เต็มร้อยเพียงแต่ว่าทาให้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ แต่ถ้าเราสวดแล้วเราเข้าใจความหมายก็เป็นเหมือนกับอ่านหนังสือธรรมะดีๆนี่เองเพราะบทสวดมนต์นี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสวดแล้วเราเข้าใจความหมายก็เท่ากับเราได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาควบคู่กับการเจริญสมาธิ ที่ผมการเรียนได้วาเพราะว่าที่เขาประโยคต่อประโยคว่าภาษาบาลีไปนั่นพุโทโธสุทสโธกับนามหานาโวเขาจะมีคําแปลภาษาไทยว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยไ ป, ไปด้วยเป็การที่การนําขึ้นมาเป็นประเด็นที่มาก็ไม่ถึงนตะถกเทียงเยเป็นการหลงทางถ้าถามเราเป็นการสร้างความวุ่นวายใจแทนที่จะให้ความสงบ<ช> <ๆ S 1> อ่มันต้องมาบาลีแล้วก็ต้องมาไทยสลับกันไป มันไม่ต่อเนื่องกันนารีมันก็ไม่ต่อเนื่องไทยมันก็ไม่ต่อเนื่องทีี่มหลายสก็นั่นแหละเป็นความหลงทางกันเดินหลงทางกันไม่เข้าใจถึงจุดหมายของการสวดมนต์เพื่ออะไรสวดมนต์เพื่อผ่อนคลายความคิดปรุงแต่งเพื่อช่วยใจจะได้เย็นจะได้สบายจะได้สงบจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านใชสมัย พระที่บวชนี้พระพุทธเจ้าทรงทรงสอนว่าถ้าบวชแล้วท่องปาฏิโมกข์ได้นี้จะมีอานิส่งมากเพราะการสวดปาฏิโมกข์ท่องปาฏิโมกข์นี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสี่สิบห้านาทีอย่างน้อยถ้าเร็วถ้าช้าหน่อยก็ห้าสิบหรือชั่วโมงใจก็เหมือนกันนั่งสมาธิอยู่ชั่วโมงนึงปกติถ้านั่งสมาธิไม่เป็นนี้นั่งไม่ได้ชั่วโมงนึง แต่ถ้าต้องสวดปาฏิโมกข์นี้นั่งสวดได้เพราะใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจสงบถึงแม้ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่ถ้านั่งเฉยๆนี่ให้นั่งสิบนาทีก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแล้วนันเป็นอุบายการที่เขาสวดกันในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีสองเป้าหมายนั้นเองก็คือสมาธิและปัญญาและการ รักษาอนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เพราะสมัยก่อนไม่มีหนังสือที่จะบันทึกเอาไว้ก็ต้องอาศัยการท่องจําของพระนี่เองพระท่านก็ท่องกันแบ่งเป็นสายๆไปสายหนึ่งได้ก็ท่องพระวินยัยสายหนึ่งก็ท่องพระสูตรและเวลาสังกายนากันสักครั้งก็เอาพระที่ท่องพระสูตรพระวินัยต่างๆเหล่านี้มาสวดให้ฟังแล้วผู้ที่เออ่ จำได้ก็มาคอยทบทวนกันดูว่าสวดครบหรือไม่ถูกหรือไม่อั น, นิสงที่ได้ก็คือเวลาท่องเวลาสวดถ้าไม่ได้เข้าใจความหมายก็จะได้ความสงบแต่สมัยก่อนนั้นเขาเข้าใจความหมายเพราะเป็นภาษาของเขาใช่ <c oughs> เขาก็จะได้ปัญญาได้ความรู้แล้วก็จะได้อนุรักษ ก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่การที่จะอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติเพราะการท่องคำสอนนี้ก็ยังเป็น เ, เปนเหมือนปิดศนาอยู่บางทีผู้ได้อ่านได้ฟังคำสอนนี้ก็ยังจะไม่เข้าใจลึกซึ้งถ้าไม่มีปัญญา ที่ลึกซึ้งเท่ากับผู้ที่แสดงคือพระพุทธเจ้าคนที่มาฟังก็อย่าไม่มีความสามารถที่จะบรรลุได้อยู่ดีแต่ถ้ามีผู้ที่บรรลุแล้วมาสอนมายกตัวอย่างมาขยายความอันนี้จะทําให้ผู้ฟังที่มีภูมิปัญญาที่ด้อยที่ต่ํากว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้เฉะนั้น ถ้ามีแต่พระไตรปิฎกมีแต่ตัวหนังสืออยู่นี่จะไม่ดีเท่ากับการมีผู้ที่บรรลุธรรมมีพระอรหันต์มาแสดงธรรมมันก็เป็นธรรมันเดียวกันนี่แหละแต่มีการแสดงรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเนื่องจากว่ารายละเอียดนี่มันมากมายก่ายกองอุบายวิธีของแต่ละคน ปัญหาของผู้ปฏิบัติของแต่ละคนนี้มันหลากหลายจึงไม่สามารถที่บรรจุรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นไว้ในพระไตรปิฎกได้ก็บรรจาบรรจุรแต่คําสอนหลักๆเช่นสัมมาทิฏฐิคําเดียวอย่างเนี้ยก็สามารถเขียนหนังสือเป็นหลายเล่มได้ถ้าจะอธิบายความหมายอะไรต่างๆจไว้อันนี้ต่างหาที่ต้องต้องมี ก็เท่าเรียกว่าดีกากับอัถฐกถาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาาาระอรหันต์ที่ท่านบรรลุแล้วท่านมาแจกแจงมา ข, าขยายความอีกทีหนึ่งถือว่าท่านรู้แจ้งแ่งตลอดอแล้วก็อาจจะมีกรณีศึกษาเช่นผู้มีปัญหาก็ใช้กรณีศึกษานั้นมาเป็นตัวอย่าง นันถึงต้องมีการสนทนาธรรมในการเลนะธรรมะสวังกับการเลนะธรรมสากัดฉาไม่ใช่ฟังอย่างเดียวการเลนะธรรมะสวังแปลว่าการฟังธรรมการเลนะธรรมะสากัดฉาแปลว่าการสนทนาธรรมตอบปัญหาถามตอบปัญหากันเพราะบางครั้งก็ผู้แสดงอาจจะแสดงไม่ทั่วถึงไม่ครบถวนทุกกระบวนการ ผู้ฟังฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างก็ต้องถามพอถานผู้แสดงก็จะได้เติมให้เต็มได้แต่ถ้าผู้แสดงแสดงเก่งๆนี้บางทีไม่ต้องถามครบถ้วนสม บ, บูรณ์ผู้ฟังได้ได้อัดทรถได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนก็จะสามารถบันลึกได้แต่อาจจะ ผู้ฟังอ่ะผู้แสดงอาจจะมีอาจจะแสดงครบถ้วนแต่ผู้ฟังอาจจะไม่มีภูมิปัญญาที่จะเข้าถึงได้เท่มเนี่ย ไ, <ป>ไมได้ปเหมาวมประเด็น้วย <laughs> อันนี้ก็มีอยู่มีมากแม้แต่ใ น, นสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าก็ต้องตอบปัญหาของคนที่มีเภูมิปัญญาต่ำบางคนไปถามปัญหาที่ทรงไม่ตอบ ก, ก็เลยไปคิดว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า อย่างที่คงเคยได้ยินนิทานที่มีชายคนหนึ่งเดินทางจะไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปพ บ, ปพบกับพระพุทธเจ้าที่ก็ไปพักนอนอยู่ที่เดียวกันก็ได้สนทนาธรรมแต่คำถามที่คนถามถามนี่มันเป็นคำถามที่เรียกว่าอาจิมใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งตอบก็เลยไม่ประทับใจต่อคำตอบของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าได้คุยกับพระพุทธเจ้า คิดว่าคุยกับพระรูปหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ท่งประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าพอตอนเช้าก็แยกทางกันไปพระพเจ้าก็เดินไปอีกทางหนึง่งทา้ายคนนั้นก็มุ่งไปสู่สถานที่สู่เมืองที่คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ไประหวัางทางก็เดินสวนกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ถามว่าไปไหนก็บอกจะไปหาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรบอกเราไม่ไม่ได้เจอพระที่เดินที่ไปอยู่ข้างหน้านี่เลย เขาบอก็เจอเจอแล้วไม่ได้คุ ย, ย, คยกันนะคุยแล้วคุยแล้วไปไหนคุยแล้วก็ไม่ได้เรื่องเข้ามาภาษาลิบุตทแทนที่จะบอกนั่นคือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่บอกท่านชลา่าท่านรู้ว่าชายคนนี้มันไม่มีผนเป็นพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงเจอแกงก็ไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนภาษาลิบุตรก็ไม่ได้ห้ามว่าเอาไปกลับจะเดินมาหาพุทธเจ้าพอไป <c oughs> เรื่องนี้เป็นตำนานของกรรมนิตพานใช่มันก็มาเขียนเป็น น, นิทานไงกรรมนิตกับวาสิตีแบบเป็นโดนโคลส์เราไม่ได้เคยอ่านเรื่องเรื่องตลอดเลยไม่ทราบจริงแต่ได้ได้ได้ฟังเรื่องเรื่องนี้ท่านเองส่วนเรื่องกรรมนิพย์ไม่ได้ไม่ได้เคยอ่านก็เลยไม่ไม่ทราบเพราะตอนตอนที่เข้าหาธรรมะตอนนั้นเราไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรมากนะสนใจแต่ แก่นของอาจารย์มาจากโเรียนคืออย่างนี้ก็เรื่ภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานหรือว่าคนต่งชาติไม่ได้อ่านเลยเพราะศึกษาเรียนโรงเรียนนานาชาติก็จะเรียนก็จะเรียนบักสูตรของของของการศึกษาของของสาระเราเราก็จะให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของของสาระประวัติศาสตร์โลกอะไรอเ ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีภาษาไทยไม่มีวรรณคดีไทยไม่มีอะไรเลยจบถึงไม่สามารถเข้าต่อที่จุฬาหรือธรรมศาสตร์ได้เพราะว่าเขาไม่รับรองก็เลยต้องไปต่อที่ต่างประเทศอาจารย์ดูแลโครงสร้างอะไรเองครับไม่แล้วพอดีมี ของช่างนี้ไม่ต้องดูแลก็ได้ช่างที่ไม่จบวิศวะเขาก็ทกโโ <S <S ําได้เพวกนี้มันมันไม่ต้องเนี่ยนี่พระกขาสร้างกันก็ไม่ต้องมีวิศวะมาดูกันไอ้เสาเสามันคตรยังไงก็ยังทำให้มันอยู่ได้ <S <S <S 2> <S 2> ถ้าเป็นวิศวะ บ, บอกไม่ได้ไม่ได้นีเสร็จเไปที่นูนนนะคืองในกรณีที่มีคนมาก จะสองเท่าของของที่นี้ในกรณีที่คนมากแล้วฝนฟ้าอากาศไม่ดีแต่ถ้าฝนไม่มีคนส่วนใหญ่ก็ชอบนั่งแบบนี้กันเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกว่าเหมือนกับในสมัยพระพุทธการเขาอาจจะเคยดูภาพว่าดูเห็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับเอ เช่นเขามีภาพวาดย่างไหมที่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้วันมาคบูชาอง<ม>ก็เห็นพระนั่งอยู่ตามตามพื้นตามคนไม่มีไม่มีศาลาไม่มีอะไรอันนี้ก็กึ่งๆค่งคายอย่างนั้นก็จึงไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลื้อหลังนี้ไงก็จะพยายามรักษาไว้ถ้าต้องซ่อมก็จะซ่อมแต่ตอนนี้ยังเห็นว่าไม่ไม่จำเป็นต้องซ่อม ไม่อยากจะจะให้มีงานภายนอกมากเกินไปงารภายนอกนี้จะมาทํางานมาทําลายงานภายในถ้ามีการกอร่อสร้างอย่างเมื่อกี้เห็นไหมมีการทํางานก็ต้องมีนี่ยมีญาติโยมท่านหนึ่งต้อไปขอร้องเขาบอกให้หยุดก่อนเพราะเวลามีส่งเสียงดังนี้จะรบกวนความสงบท่านที่มาที่หลังที่ยังไม่ได้หนังสือ ซีดีแล้วทอวีดีโอก็ขอเชิญเข้ามาหยิบได้เอาเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวให้เขาไปหยิบเองดีกว่าเราไม่รู้ว่าเออนกิารีเออคือบางทีเขาไม่อยากได้แล้วเราไปให้ใครให้ใครอยากได้ให้เขมาหยิบเรื่องกันก็ได้จะดีกว่าที่ชอบจากคุณตุมคุณยาดาเ้าบอกพ่าท่านอาจารย์ดำหรือว่าจะจะไม่ทิ้งจุลธรรมก็คิดว่ากําลังทําเล่มสุดท้ายอยู่เนี่ย คิดว่าคงอยากจะหยุดแล้วเพราะว่ามันมีภารกิจมากมันเหนื่อยอแล้วก็ทํามามากแล้วถ้ารวนทั้งข้างล่างข้างบนนี่ก็หกสิบกว่าเล่นอตอนนี้ก็เอาฟังสดๆฟังแล้วก็ดูไปมีดูมีฟังจริงๆว่าก็จะอาจ่านแต่เล่นหนึ่งเล่นอีกเล่ก็ครบท่วนมันก็ครบอยู่แล้วถ้าแสดงมันก็ซ้ำไปซ้ำมาไปสลับไปสลับมา กพอใช้รวบรวปัญหาข่าวใจเรืองที่ก็เงินเนื้อหาสาระอย่างน้อยว่ะกลัวคนที่เอาหนังสือไปแล้วก็ไปวางไว้ซี่มากกว่าเห็นเยอะๆก็กลัวแล้วมีต้องห้าหกสิบแล้วไม่รู้จะหาเรื่องไหนก็เหมือนเราเห็นพระไตรปิฎกแล้วอยากจะเปิดไหมเห็นตู้พระไตรปิฎกนี่ก็กลัวแล้วต้องมาเป็นเรื่องผมคุดกับเพื่อนเขาเขเอามาจากอินเทอร์เน็ตให้ เจอหาเล่นสุดท้ายสบับที่ก็เป็นมหาสติปทานสีมพูดถึงเรื่องการพิณาธรรมในธรรมไม่เคยได้ฟังวานทีไหนเลอนเริ่มต้นเป็นนิวอนันห้จบที่อ ร, ริยสัจสีมแล้วมีแถมฐานสูีก อ, อยู่ห้าประการก็อยู่ในสติปฐานสูตรเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านดูท่านก็แจกแจงรายละเอียดไว้ว่ากายมีอะไรบ้างการพิจารณากาย เป็นอย่างไรก็ตายไปนานีก็ทำที่ทำใเริ่มต้นจากนิวรณ์มีพุทชงเจ็ดด้วยไม่ได้พูดเขาเป็นหมสุดท้ายก็เห็นอริยสัจสิตายใบขีดแต่ของพวกนี้เวลาปฏิบัติไปมันจะเห็นเองมันจะเกิดขึ้นเองแต่แต่ว่าเรามาอ่านนี่ก็เหมือนกับว่าเรามาเปิดแผนที่ดูทีหลังเราเคยไปถึงสถานที่เหล่านั้นแล้ว ัแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรพอเรามาเปิดหนังสือเปิดหนังสือดูถึงรู้ อ, อ๋อเราถึงขั้ น, นขั้นนั้นขั้นนั้นแล้วได้แต่วันปัจฏิบััิแต่วันละปฏิบัติมนันไม่ได้บอกว่านี่ถึงขั้นนี้แล้วนะถึงขั้นนั้นแล้วนะมันเหมือนการลถที่ไม่มีมาตรวัดความเร็วไม่รู้ว่าเร็วเท่าไหร่ถความเนี่นี่้าก็ไ ต่อเอนนรียนญาติฐานที่มีกับิี่รอเพื่อเจริญสติไปถึงระดับสงบของที่เจะเจริญปัญญาต่อทด้ในการที่ที่เจริญปนญญาให้ให้แยกขาดแขนเป็นแขนข้าและที่จเจริญนี่เกี่ยวกับไปรับของแขนข้าวเป็นแต่แต่ละค น, นอาจจะมองไม่เหมือนกันเป็นไปได้นะครับ เรื่องกายเวทนาบางคนก็มครับที่อะไรก็จะเลยไปยังสัญญาหรือจะสังขารซึ่งจะมีประเด็นที่รณาซึ่งอาจจะต้องใช้วิวรณมาช่วยอันนี้เป็นแต่ละบุคคลนะครับที่จ ะ, ออทท จ, ะจะเห็นกิดแต่ละบุคคลอาจจะมีวิธีการพิจารณาที่แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายโดยหลักก็คือการเห็นตายลักษณ์ในขันห้าคือให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้ mm hmm. ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติด mm hmm. ไม่มีตัวมีตนเป็นเพียงสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสอนใจเพื่อให้ไม่ไปยึดไปติดเช่นร่างกายก็ไม่ให้ไปยึดไปติด ร่างกายจะเกิดจะดับก็ปล่อยให้ร่างกายเกิดให้ร่างกายดับไปเวทนาจะเกิดจะดับก็ปล่อยให้เวทนาเกิดเลื่ดับไปเราอย่าไปจัดการตอนนี้เรายังติดอยู่กับเวทนาติดอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็พยายามไปจัดการไปแก้ให้หายเช่นไม่สบายก็ไปหายามารับประทาน การอะไรก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นปกติซึ่งในบางกรณีก็ทำได้ก็ควรทำอันนี้ไม่ได้ห้ามแต่นี่พูดถึงในกรณีที่มันมันทำไม่ได้อันนี้ทำไปอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายมันก็จะเป็นสมุทยัยเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นเป็นตันหาความอยากขึ้นมาอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องหยุด ถ้าเราไม่อยากจะเกิดความทุกข์ใจเช่นคนที่ไม่ชอบความแก่ก็พยายามหาวิธีที่จะไม่ให้แก่อย่างนี้ก็อาจจะทำได้ในระยะแรกๆเช่นซื้อยามารับประทานทำสัลยกรรมอะไรต่างๆแต่ไปทำไปเรื่อยๆมันก็ต้องขีดถึงขีดหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะปกปิดความแก่ได้ตอนนั้นถ้ายังไม่อยาก แก่ตอนนั้นก็จะไม่สบายใจแต่ถ้ายอมรับความแก่ได้มันก็จะไม่มีปัญหากับความแก่อันนี้คืยยกตัวอย่างเรื่องของการพิจารณาร่างกายเวทนาก็เหมือนกันเวลาเกิดสุขเวทนาเราก็มักจะเกิดความอยากให้สุขอย่างเดียวไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้หมดไปแต่พอเราหมดไปเราก็ไม่สบายใจ วเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็อยากจะให้มันหายไปเวลามันยังไม่หายเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันวิธีปฏิบัติก็คือเราต้องทำใจสุขก็อยู่กับสุขไปทุกข์ก็ต้องอยู่กับทุกข์ไปต้องยอมรับว่าเขาเป็นสภาวะธรรมที่เราไปสั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ นี่เราจะไปสั่งว่าวันนี้ฝนตกนะพรุ่งนี้ไม่ตกนะวันนี้แดดออกนะนี่เราไปสั่งไมนะ่ได้เวทนาก็เหมือนกันเราจะสั่งว่าวันนี้สุกอย่างเดียวนะทุกไม่ได้นะถ้าเปิดไปรับประทานนะของสแสลงขึ้นมาก็เกิดอาการปวดท้องขึ้นมาได้หรือไปติดเชื้อก็เป็นไข้หวัดขึ้นมาได้อันนี้เราจะไปสั่งไปห้ามของไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทําก็คือทําใจไม่ให้ไปวุ่นวายไม่ให้ไปทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของเวทนานี่อันนี้คือเรือดของการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขาปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายไปปล่อยให้เวทนาเปลี่ยนไปสลับกันไปสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเราไม่ต้องไป สั่งให้สุขอย่างเดียวไม่ให้ทุกข์นี่ส่วนสัญญาสังขารมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความจําความคิดให้มันจําให้มันคิดในทางที่ถูกเลยให้ให้จําว่ามันเป็นตายรักให้คิดว่ามันเป็นตายรักให้คิดปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันนะเเอออ่่สสัญญาาาดวฐรไีไ เราบอกดับไม่ได้แต่เราสามารถแค่เรียนรู้ที่จะเราขายไปเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสัญญาได้เพราะสัญญานี้ของเราเป็นสัญญาที่ไม่ตรงกับความจริงเนี่เช่นเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้เราก็ต้องเอาปัญญามาเปลี่ยนสัญญามาสอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ํำลมไฟมาจากธาตุสีมาจากอาหารน ถ้าเราสอนใจอยู่ได้เรื่อยต่อไปใจก็จะเปลี่ยนสัญญาจากความคิดว่าเป็นตัวเราของเราได้มาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาเป็นเพียงอาการ32เหมือนกับเวลาที่สมัยก่อนเราอยากจะสอนใจให้เห็นว่าโลกนี้มันกลมมันไม่แบนเราก็ใช้การดูเรือที่วิ่งเข้ามาจากทะเล เวลาเรือวิ่งเข้ามาส่วนส่วนไหนของเรือที่เราเห็นก่อนเราจะเห็นเสากระโดงก่อนทำไมเราไม่เห็นเรือทั้งลาพร้อมกันนั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่เรื อ, อวิ่งมานี้มันไม่เรียกมันไม่แบนมันมันโค้งมันวาลก็แสดงว่ามันโลกนี้มันก็ต้องกลมมันไม่มันไม่แบนหรือคนที่ขี่ม้าข้ามเขามา เราจะเห็นคนขี่ก่อนที่จะเห็นตัวมาเราจะเห็นส่วนที่สูงกว่าอันนี้ก็เป็นการแก้สัญญาความเข้าใจว่าโลกนี้แบ่งได้ก<ม>็เช่นเดียวกับการที่จะแก้สัญญาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา<ม>เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอด ม, มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ม>เราก็ต้องใช้ ปัญญาเนี่ยมาสอนใจมาแก้สัญญาสัญญามันก็เกิดดับเกิดดับแต่เราแก้สัญญาที่ไม่ไม่ถูกนี้ให้มันหายไปแล้วเอาสัญญาที่ถูกมาแทนที่ทุกครั้งที่มองถึงร่างกายก็มองว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันต้องแก่เจ็บตายแต่เห็นอย่างนี้มันก็จะไม่ทำให้สังขารปรุงแต่งไปในทางตันหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ปัญหาของเราอยู่ตรงที่สัญญากับสังขารนี้อ่อจําไปในทางที่ผิดคิดไปในทางที่ผิดถ้าจําไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่ถูกความทุกข์ก็จะไม่มีการนี้ของจิตตอนนี้อพอทำกายทำเวทนาที่เกิดจากกายนี้คิดก็จะเห็นชัดว่าการทำจิตที่ว่าไม่ใช่เป็นของเรา ในสัญญาเราควรจะแก้ไขยังไงก็อย่างเดียวกันภายในจิตนี้ก็ยังมีความสัญญาผิดคือสัญญาที่ผิดก็คือจิตคิดว่ามีตัวมีตนในจิตคิดว่าเราคือจิตเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเราเป็นชายเป็นหญิง เป็นปบรรยัออกไปให้หมดเออก็ออกไปให้หมดให้รู้ว่าเป็นเพียงแต่ผู้รู้เฉยๆมไม่มีตัวตน<ส>ไม่มีมานะอยู่ในนั้น<ส> อ, อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจระยะแรกเขใช้เป็นผู้รู้มีปัญญาดูไปก่อนนะแล้วก็ต้องไปทดสอบดูเวลาภรรยาด่าเรานี่จะจะโกรธหรือเปล่าถือว่าเราเป็นสามี <c oughs> เขาเป็นภรรยาเขาด่าเราไม่ได้ นื่เราเป็นผู้ว่าแ ล, ล้วลวกน้องมาด่าเราอย่างนี้ไม่ให้ความเคารพเราอย่างนี้ดูถูกดูแคลงเราอย่างนี้เรายัางเป็นผู้รู้เฉยๆได้หรือเปล่าสักแต่ว่ารู้หรือเปล่าอันนี้ตัวนี้มันยากกว่าการมาลสะสกายติฐิและร่างกายละความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นขั้นเป็นตอนน่ะมันต้องผ่านเป็นแต่ละขั้นก่อนอันนั้นมันขั้นปริยาเอกแล้วขั้นนั้นอ่ะ ขั้นจิตเนี่ยมันเป็นขั้นปริระดับเป็นญาเอกส่วนขั้น ข, นขันห้านี่ระดับปริญญาโทส่วนลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันระดับเป็นปัญญาตรีเราต้องผ่านปาเป็นขั้นๆไปก่อนขั้นๆปัญญาตรีก็ต้องออกบวชให้ได้ก่อนถึงจะจบปริญญาตรีก็อย่ถึงจะไปทําปริญญาโทได้ก็คือไปไปละไปปล่อยวางขันห้าได้ พอได้ปัญญาโทแล้ก็ปลปล่อยวางมานะกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตมานะกับอวิชชาที่ยังมีอยู่ในจิตนี้อันนี้มันเป็นความละเอียดของกิเลส ท, ที่สติปัญญาระดับต่ำกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์ที่จะต้องขยายให้มันมีแรงขยายมากขึ้นถึงจะเห็นเชื้อโรคที่มันเล็กลงไป มันเล็กลงไปมากเราคล่องขยายก็ต้องมีกำลังขยายเพิ่มมากขึ้นไปแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องไปจากขั้นหยาบไปก่อนขั้นตัวใหญ่ไปก่อนแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆรติปัญญาของเราก็ต้องพัฒนาจากขั้นลาบยุศรสละเสริญขั้นรูปเสียงกิ่นล้วไปแล้วก็ไปสู่ขั้นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วถึงเข้าไปในขั้นของจิตอีกทีหนึ่ง พอเข้าถึงขั้นจิตแล้วที่จิตก็จะสะอาดบอยสุดชําชำละกิเลสที่ละเอียดที่สุดที่อยู่ภายในจิตก็คือเนี่ยสังโยนื่องบนห้าประการรูปราค้าอรูปราคาอุทธัจมานะอวิชา